ว่าด้วยเรื่องเทวดามนุษย์กับเทวดาเปรียบเทียบฐานะกันคำว่าเทวดาหรือเทพใช้กลุ่มถึงพรมทั้งหลายด้วยโดยแบ่งเป็นเทวดาชั้นกามอาวจรคือผู้ยังเกี่ยวข้องกับกามบางทีเรียกว่าชกามาพระจรสวรรค์หรือสวรรค์ชั้นที่ยังเกี่ยวข้องกับกามหกชั้น คือจาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารดีและปรานิมิตาสวัสดีต่อจากนั้นมีเทพชั้นรูปาวจรคือรูปประพรม16ชั้นและสูงสุดมีเทพชั้นอรูปาวจรคืออรูปประพรมข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องเทวดาว่าโดยส่วนใหญ่ก็เหมือนกับที่กล่าวแล้วในเรื่องอิทธิปาฏิหาร เพราะคนมักเข้าไปเกี่ยวข้องกับเทวดาเพื่อผลในทางปฏิบัติคือหวังพึ่งและขออำนาจโดนบันดาลต่างๆเช่นเดียวกับที่หวังและขอจากอิทธิฤทธิ์และเทวดาก็เป็นผู้มีฤทธิ์หลักการทั่วไปที่บรรยายแล้วในเรื่องอิทธิปฏิหารเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เกี่ยวกับคุณและโทษจึงนามาใช้กับเรื่องเทวดาได้ด้วย แต่ก็ยังมีเรื่องที่ควรทราบเพิ่มเติมอีกบางอย่างดังนี้ว่าโดยภาวะพื้นฐานเทวดาทุกประเภทตลอดจนถึงพรมที่สูงสุดล้วนเป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏเช่นเดียวกับมนุษย์ทั้งหลายและส่วนใหญ่ก็เป็นปุถุชนยังมีกิเลสคล้ายมนุษย์แม้ว่าจะมีเทพเป็นอริยบุคคลบ้าง ส่วนมากก็เป็นอริยมาก่อนตั้งแต่ครั้งยังเป็นมนุษย์แม้ว่าเมื่อเปรียบเทียบโดยเฉลี่ยตามลำดับฐานะเทวดาจะเป็นผู้มีคุณธรรมสูงกว่าแต่ก็อยู่ในระดับใกล้เคียงกันจนพูดรวมรวมไปได้ว่าเป็นระดับสุขติด้วยกันในแง่ความได้เปรียบเสียเปรียบบางอย่างเทวดาดีกว่าแต่บางอย่างมนุษย์ก็ดีกว่า เช่นท่านเปรียบเทียบระหว่างมนุษย์ชาวชมพูทวีปกับเทพชั้นดาวดึงว่าเทพชั้นดาวดึงเหนือกว่ามนุษย์สามอย่างคือมีอายุทิพย์ผิวพันทิพย์และความสุขทิพย์แต่มนุษย์ชาวชมพูทวีปก็เหนือกว่าเทวดาชั้นดาวดึงสามด้านคือกล้าหาญกว่ามีสติดีกว่าและมีการประพฤติพรหมจรรย์หมายถึงการปฏิบัติ ตามอริยมรรคแม้ว่าตามปกติพวกมนุษย์จะถือว่าเทวดาสูงกว่าพวกตนและพากันอยากไปเกิดในสวรรค์แต่สำหรับพวกเทวดาเขาถือกันว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสุขติของพวกเขาดังพุทธพจน์ยืนยันว่าภิกษุทั้งหลายความเป็นมนุษย์นี่แหละนับว่าเป็นการไปสุขติของเทพทั้งหลาย จากุ ธ, ธาการนิกายติมุตตะเมื่อเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งจะจติคือเคลื่อนจากภพหนึ่งไปสู่อีกภพหนึ่งหรือตายเพื่อนเทพชาวสวครร์จะพากานวอวยพรว่าให้ไปสุคติคือไปเกิดในหมู่มนุษย์ทั้งหลายเพราะโลกมนุษย์เป็นถิ่นที่มีโอกาสเลือกประกอบกุศลกรรมทำความดีงามต่างๆ และประพฤติปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่หมายเหตุแต่ความชั่วหรืออากุศลกรรมต่างๆก็เลือกทำได้เต็มที่เช่นเดียวกันการเกิดเป็นเทวดาที่มีอายุยืนยาวท่านถือว่าเป็นการเสียหรือพลาดโอกาสอย่างหนึ่งในการที่จะได้ประพฤติพรหมจรรย์คือปฏิบัติตามอริยมรร เรียกอย่างสามัญว่าเป็นโชคไม่ดีพวกชาวสวรรค์มีแต่ความสุขชวนให้เกิดความประมาทมัวเมาสติไม่มั่นส่วนโลกมนุษย์มีสุขบ้างทุกบ้างเคล้าระคนมีประสบการณ์หลากหลายเป็นบทเรียนได้มากเมื่อรู้จักกำหนดก็ทำให้ได้เรียนรู้ช่วยให้สติเจริญว่องไวทำงานได้ดี เกื้อกูลแก่การฝึกตนและการที่จะก้าวหน้าในอริยธรรมเมื่อพิจารณาในแง่ระดับแห่งคุณธรรมให้ละเอียดลงไปอีกจะเห็นว่ามนุษยภูมินั้นอยู่กลางระหว่างเทวภูมิหรือสวรรค์กับอบายภูมิมีนรกเป็นต้นพวกอบายเช่นนรกนั้นเป็นแดนของคนบาปด้วยคุณธรรม มีชาวอาบายบางส่วนจะจัดได้ว่าเป็นคนดีแต่ก็ตกไปอยู่ในนั้นเพราะความชั่วบางอย่างให้ผลทวงดึงลงไปส่วนสวรรค์ก็เป็นแดนของคนดีค่อนข้างมีคุณธรรมแม้ว่าชาวสวรรค์บางส่วนจะเป็นคนชั่วแต่ก็ได้ขึ้นไปอยู่ในแดนนั้นเพราะมีความดีบางอย่างที่ปัะทุแรงช่วยผลักดันหรือฉุดขึ้นไป ส่วนโลกมนุษย์ที่อยู่ระหว่างกลางก็เป็นประดุจชุมทางที่ผ่านหมุนเวียนกันไปมาทั้งของชาวสวรรค์และชาวอบายเป็นแหล่งที่สัตว์ตวโลกทุกพวกทุกชนิดมานทำมาหากรรมเป็นที่คนชั่วมาสร้างตัวให้เป็นคนดีเตรียมไปสวรรค์หรือคนดีมาสมตัวให้เป็นคนชั่วเตรียมไปนรก ตลอดจนเป็นที่ผู้รู้จะมาสะสางตัวให้เป็นคนอิสระเลิกธรรมมาหากรรมเปลี่ยนเป็นผู้หวานธรรมลอยพ้นเหนือการเดินทางหมุนเวียนต่อไปพวกอบายมีหลายชั้นซึ่งอบายภูมิมีสี่คือนรกดิรัชานเปรตและอสุรกายชั้นเดียวกัน ก็มีบาปทําใกล้เคียงกันพวกเทพก็มีหลายชั้นซอยละเอียดยิ่งกว่าอบายมีคุณธรรมพื้นฐานประณีตลดลันกันไปตามลำดับชั้นเดียวกันก็มีคุณธรรมใกล้เคียงกันส่วนโลกมนุษย์แดนเดียวนี้เป็นที่รวมของบาปธรรมและคุณธรรมทุกอย่างทุกระดับมีคนชั่วซึ่งมีบาปธรรมหยาบหนาเหมือนดังชาวนรกชั้นต่าสุด และมีคนดีซึ่งมีคุณธรรมปราณีเท่ากับพรมผู้สูงสุดตลอดจนท่านผู้พลแล้วจกพบภูมิทั้งหลายซึ่งแม้แต่เหล่าเทพมารพรมก็เคารพบูชาภาวะเช่นนี้นับได้ว่าเป็นลักษณะพิเศษของโลกมนุษย์ที่เป็นวิสัยกว้างสุดแห่งบาปอากุศลและคุณธรรมเพราะเป็นที่ธรรมมาหากรรมและเป็นที่วานธรรม ที่กล่าวมานี้จะเห็นข้อเปรียบเทียบระหว่างมนุษย์กับเทวดาได้ว่าเมื่อเทียบโดยคุณธรรมและความสามารถทั่วไปแล้วทั้งมนุษย์และเทวดาต่างก็มีได้เท่าเทียมหรือใกล้เคียงกันเป็นระดับเดียวกันแต่มนุษย์มีวิสัยแห่งการสร้างเสริมปรับปรุงมากกว่าข้อแตกต่างสําคัญจึงอยู่ที่โอกาสกล่าวคือ มนุษย์มีโอกาสมากกว่าในการที่จะพัฒนาคุณธรรมและความสามารถของตนถ้ามองในแง่แข่งขันซึ่งตามปกติทางธรรมไม่สนับสนุนให้มองแง่นี้ถ้ามองในแง่แข่งขันก็ว่าตามปกติถ้าอยู่กันเฉยๆเทวดาทั่วไปสูงกว่าดีกว่าเก่งกว่ามนุษย์ แต่ถ้ามนุษย์ปรับปรุงตัวเมื่อไรก็จะขึ้นไปเทียมเท่าหรือแม้แต่สูงกว่าดีกว่าเก่งกว่าเทวดาในอังคุตระนิกายอัถกานิบาตมีพุทธพจน์ว่าต่อเมื่อพระพุทธเจ้าทรงมีอธิเทวญาณทัศนะครบ8ปริวัติคือรอบทั้ง8ด้านคือหนึ่งจำโอภาษได้ 2. เห็นรูปทั้งหลาย 3. สนทนากันได้กับเทวดาเหล่านั้น 4. รู้ว่าเทวดาเหล่านั้นมาจากเท พ, พนิกายไหนอารู้ว่าเทวดาเหล่านั้นจุติจากที่นี้ไปเกิดที่นั้นด้วยวิบากของกามใด 6. รู้ว่าเทวดาเหล่านั้นมีอาหารอย่างไรเสวยสุขทุกอย่างไรอย่างไร 7. รู้ว่าเทวดาเหล่านั้นมีอายุยืนยาวเท่าใด 8. รู้ว่าพระองค์เคยอยู่ร่วมกับเทวดาเหล่านั้นหรือไม่เมื่อทรงรู้เช่นนี้จึงจะทรงปฏิญาณได้ว่าทรงบรรลุแล้วซึ่งอนุตลธรรมมาสัมโพธิญาณอตทิเทวญาณทัศนะนี้น่าจะแปลว่าญาณทัศนะ ของพระผู้เหนือกว่าเทพหรือยานัศนะที่ทำให้ทรงเป็นผู้เหนือกว่าเทพเพราะทำให้ทรงรู้จักเทวดาดียิ่งกว่าที่พวกเทวดารู้จักตนเองเช่นพระพรมไม่รู้อายุของตนจึงเข้าใจตนเองผิดว่าไม่เกิดไม่ตายอาธิเทวญาณัทสนะนี้เป็นส่วนหนึ่งของทิพยญาจักสุ จึงเป็นคุณสมบัติจำเป็นอย่างหนึ่งสำหรับความเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะเช่นเดียวกับตถาคตภรรยานข้ออื่นๆแต่ไม่จาเป็นสำหรับการบรรลุอรหัตผลหรือนิพพานแต่เดิมมาตั้งแต่ก่อนพุท ธ, ธกาลความนับถือเทวดาเป็นของสามัญและฝังรากลึกดังนั้นการจะแสดงความประเสริฐของมนุษย์ได้ก็ต้องใหเห็นว่า มนุษย์สามารถทำตนให้เหนือกว่าเทวดาได้อย่างไร